ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพญาณาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทวทูตพระอาจารย์ผู้อธิบายมคัคคเทวสูตรได้กล่าวอธิบายคำไว้ว่าเทวทูตแปลว่าทูตของเทวะ อะไรคือเทวะยกตัวอย่างว่ามัจจุหรือความตายชื่อว่าเทวทูตของมัดจุชื่อว่าเทวทู ต, อ, อ, ททตอย่างหนึ่งได้แก่ทุกสิ่งที่เตือนว่าใกล้ความตายเข้าทุกทีเช่นเมื่อเส้นผมบนทิศะงอกก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าใกล้ความตายเข้าแล้วผมงอกจึงเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งทุกๆสิ่งที่เป็นลักษณะแห่งเกิดแก่เจ็บตายและราชทัน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 เพระได้สอนให้พิจารณาเนืองเพื่อความไม่ประมาทฉะนั้นเมื่อเห็นเทวทูตก็ย่อมจะไม่ประมาทและเว้นทุจริตต่างๆได้ส่วนคนที่ประพฤติทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจจึงเป็นผู้ประมาทมัวเมาต่างๆแม้จะได้พบเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายและคนถูกลงราชทันธ์แต่ก็ไม่ได้ข้อเตือนใจ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 แต่มหานิรอยะในพระสูตรเป็นนรกกลางสําหรับบาปทั่วไปเพราะมิได้ระบุประเภทชนิดของบาปไว้ทั้งในพระสูตรนี้ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมืองแสดงราชธรรมเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเพราะแม้จะไม่คํานึงถึงกติ ธ, ธรรมดานึกถึงกฎหมายบ้านเมืองเกรนราชธรรมก็ยังช่วยให้ละเว้นทุจริตต่างๆตามกฎหมายได้เป็นเข้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติและศาสนาเหมาะดีอยู่และในเทวทูตสูตรนั้น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 อย่างกำหนดการจำคุกในกฎหมายคือหนึ่งอภุทะมีเกณฑ์ น, น้ำดังนี้มเมล็ดงาโกสนเต็นเกวียนอันบรรทุกนําหนักได้ยสิบารีหรือสี่ปัตถคตเป็นหนึ่งปัตถโกสลสี่ปัตฐนั้นเป็นหนึ่งอรหกะสี่อรหกะเป็นหนึ่งโทนสะี่โทนเป็นหนึ่งมาิกะสี่มาิกะเป็นหนึ่งารีล่วงแสนปีหยิบเอาออกเสียมล็ดหนึ่ง เมล็ดงานั้นจหมดก่อนอภุทธหนึ่งสอง n พุทธหนึ่งเท่ากับยีสิอภุ t h 3. อภม apapa หนึ่งเท่ากับยี่สิบ niraputa สี a a หนึ่งเท่ากับย0อสิบ a p 5. อ a ต้ t t หนึ่งเท่ากับยสิบ ahaha หก g u ุ u t หนึ่งเท่ากับย0อสตต a t t เจ็ดโสขันธิกาหนึ่งเท่ากับย0่สิบ g u แอุปละหนึ่งเท่ากับ20่สิบโศคาริกะ 9. ปุณฑริกาหนึ่งเท่ากับ20สอุปละสิบปมุทะหนึ่งเท่ากับยีสปุณัริกะพระอาจารย์แสดงการคำนวณปีไว้ดังนี้ร้อยแสนเป็นโกรธร้อยแสนโกรธเป็นปรโกฏร้อยแสนปรโกธเป็นโกรธปรโกฏร้อยแสนโกรธปรโกธเป็นนหุดร้อยแสนหุด เป็นนินนาหุดร้อยแสนนินนาหุเป็นหนึ่งอภูตะยี่สิบอภูตะเป็นหนึ่งนิรภูตะต่อจากนั้นก็คูณด้วยยี่สิโดยลําดับและท่านอธิบายว่าอภูตะเป็นต้นไม่ใช่เป็นนรกแผนกหนึ่งแต่หมายถึงเกณฑ์คํานวณระยะการที่จะต้องไม่ทรมานอยู่ในอวีจินิระยะนั่นเองเมื่อมีระยะการยืดยาวที่จะพึงคํานวณด้วยอุทธะณน า, นา ก็เรียกว่าอภูธะเนรภูธะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันตามอธิบายของท่านนี้ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยาเหมือนอย่างคําว่าโกดหนะหุดเป็นต้นนรกรอบนอกบางคราวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทางประตูใดประตูหนึ่งแต่ก็ไปตกนรกใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายนรกด้วยกันตั้งอยู่ถัดกันออกไปโดยลําดับคือ 1คูดนิระยะแปลว่านรกคูดมีสัตว์ปากแหลมมันยังเข็มพากันบ่อนผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่กระดูกเจ็บปวดรูดร้าวอย่างหนักแต่ก็ไม่ตาย 2. กุกะกะุลนิระยะแปลว่านรกเท่ารึงอยู่ถัดจากนรกคูดไปเต็มไปด้วยฐานเพลิงมีเปลวร้อนแรงสมเผาให้เล่าร้อนแต่ก็ไม่ตายสา สิมาภริวนิริยะแปลว่านรกป่าไม้นิ้วอยู่ทักจากนรกเข้ารึงไปมีป่านิ้วใหญ่แต่ละต้นสูงตัง้งยอดมีนามยาวสิบหกนิ้วร้อนโชนถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นนิ้วถูกหนามทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรงแต่ก็ไม่ตาย 4. อสิปตะวนิริยะแปลว่านรกป่าไม้มีใบคมดุก ด, ดาบเมื่อถูกลมพัดก็บาดมือ ขท้าใบหูและจมูกให้เกิดทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายหาคาโรธกาณนะทีนิรยะแปลว่านรกแม่น้ําด่างหรือน้ํากรดอยู่ทั้งไปจานนรกป่าไม้มีใบคมดุเดาบเป็นที่ตกลอยไปตามกระแสบ้าำทวนกระแสบ้าำรีรีขวางขวางบ้านสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตาย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 สวยทุกขเวทนาเผดร้อนแต่ก็ไม่ตายนารกแม่น้ําด่างนี้พระอาจารย์อธิบายว่าเรียกว่านารกแม่น้ําเวตรณีชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดกที่กล่าวมาแล้วนายนิรยาบาลเอาตัวใส่เข้าไปในมหานิรยะอีกเขวสวยทุกขเวทนาแรงกล้าดถึงที่นั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมพระยาหยมในท้ายพระสูตรกล่าวว่า ยมราชคิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปถูกทำกรรมกรต่างๆอย่างนั้นยมราชเองปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งอุบัติขึ้นในโลกพระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ายมราชเป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งสวยทิพยสมบัติในคราวหนึ่ ง, ปะะงเป็นธรรมิกราชสวยกรรมวิบาก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 หองอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงใบเข้าฝาทิศใต้ถูกตรึงแน่นไม่หวั่นไหวไม่อยู่ซึ่งมีรูปเขียนไว้ในบทบางแห่งคติเรื่องนรกในพระสูตรที่กล่าวมาดูก็คล้ายคลึง ก, กันกับในชาดกแต่มีเพี้ยนกันดูน่าจะมีคติความคิดในสายเดียวกันแต่ประปุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้มีความกว้างขวางขึ้น นรกในในมิราชชาดกกล่าวถึงนรกสิบห้าขุมซึ่งพระเจ้าในมิราชเสด็จไปเที่ยวดูส่วนในสันติจจชาดกกล่าวถึงนรกแปขุมดูก็น่าจะมาจากคติความคิดสองฝ่ายแต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่านรกแปขุมนั้นมีนรกบริวารอีกขุมละ16ทั้งยังมีนรกอนุบริวารอีกมากมายแต่นรกที่พระเจ้านมิราชเสด็จไปเที่ยวดูนั้นเป็นนรกบริวารของนรกที่หนึ่งที่กล่าวในสันติจจชาดก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 มีนายนิรยาบาลทั้งหลายเป็นลูกมือส่วนในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราชกล่าวถึงแต่นายนิรยาบาลซึ่งมีอยู่ในนรกขุมตื้นๆหน้าที่ของยมราชคือเป็นผู้สักถามผู้ที่ทรรมบาปที่ถูกนำตัวเข้าไปหลังสักถามคือเทวทูตท่าถ้าพิจารณาดูตรงๆก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรม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 จึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้นนรกร้อนแปดขุมตามรัฐีลามะนั้นมีชื่อเหมือนกันกันกบนรกใหญ่แปขุมทางฝ่ายใต้และตั้งอยู่ก้นบึ้งของแผ่นดินเช่นเดียวกันส่วนานารกเย็นอีกแปดขุมตั้งอยู่ภายใต้ของกำแพงที่วงรอบโลกหรือจักรวาลมีพวกเขาน้ําแข็งล้อมรอบและมีนายนิรยาบาลที่น่ากลัวเหมือนในนรกร้อนมีชื่อเป็นภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้ 1. อรพุทธ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 ภาษาบาลีว่าเนรพุทธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สองสอัตตะคือร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกทรมานภาษาบาลีว่าอัตตะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ห้าสี่าวะคือหาวเย็นยิ่งขึ้นจนเล้นแข็งร้องแต่ว่าฮ่าฮเท่านั้นคล้ายอภพะซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรกสิบขุมที่สาม ห้หาอหะหะขาไกลๆและฝันกระทบกันเพราะความหนาวภาษาบาลีอย่างเดียวกันเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สี่หอุตปล ะ, ปะอาการวมเบ่งเจ็บปวดของร่างกายวมเบ่งมากจนเหมือนดอกบัวเขียวภาษาบาลีว่าอุปปล ะ, ะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่แปดเจปัตมะอาการวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบ ผู้พองมากขึ้นจนเหมือนดอกบัวแดงภาษาบาลีว่าปฐุมะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่เก้าปุณธริกะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลสิบสิบนั้นบวมเบ่งมากขึ้นจนเนื้อหลุดออกจากระดูเหมือนกลีบดอกบัวใหญ่หลุดออกไปมีนกแล ะ, มะแมลงปาาเล็กจิกกัดได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสภาษาบาลีก็ว่าปุณธริกเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สิบ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 คุณทัพังกะแปลว่าสถานแห่งซากศพอยู่ถัดไปจากอคคณินรกสครัาราวณนะแปลว่าป่าไม้คมพิกลคือป่าไม้แห่งหอกและจักอันคมเหมือนใบพิกลอยู่ถัดไปจากนรกที่สองสอสิทธาราวณนะแปลว่าป่าไม้คมดาบคือป่าไม้ใบเป็นดาบอยู่ถัดนรกที่สาม แต่มีแม่น้ำแข็งขั้นอยู่สัตว์นรกนี้จากนรกที่สามข้ามแม่น้ำนั้นได้แล้วขึ้นฟังเป็นนรกที่สี่ต้องถูกใบไม้คมดาบบาดเจ็บทรมานมีพิธีสวดสําหรับผู้ตายขอให้แม่น้ำแข็งซึ่งใหญ่ตัวปานมหาสมุทรเป็นลําธารเล็กๆและขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกระปั้นผลอํานวยความสำเร็จปรารถนาสิ่งต่างๆนรกรอมนอกเหล่านี้ ดูเขาเดียวกันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตรน่าจะมาจากคติเดิมเดียวกันและนรกเย็นขุมที่หนึ่งคืออรพุทธะหรืออภุตทะใช้ชื่อเดียวกันกับกําเนิดรูปกาในคันมานดาที่แสดงไว้ในอินท ก, กาสูตรสังยุตตะนิกายว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นกาละละสัปดาห์ที่สองเป็นอภุตทะหรืออัมพุทะคือเริ่มมีสีเรื่อเป็นน้ําล้างเนื้อแต่ยังเหลวเหมือนดีบุกเหลว ซึ่งจะแสดงในพรรษาที่เจ็ดในรัธิลามะนั้นยังกล่าวว่ามีนรกภายนอกอีกมากมายจำนวนถึง 84,000 พันโดยมากตั้งอยู่บนพื้นโลกในภูเขาในที่รกร้างในที่ร้อนในทะเลศาบโปรดติดตามรับฟังส5่สิห้ารรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป